ผเป็นปริมณฑ <c oughs> สิขาบุพันธ์นะครับอันพิสุผมทำมุมทั้งสองให้เสมอกันชื่อว่าผมเป็นปริมณนลอุโมงค์มันก็ทำไม่ดูนี่ <c oughs> พิสุทธิ์นะฮะายความไม่เอือ้อเฟื้อนะครับผมผ้าเรือหน้าหรือหลังต้องบัดกรดอนาปฏิวานไม่แกล้งไม่จงใจนะครับเนะนะผลอนะกับสตินะไม่รู้ตัวไม่รู้ใจนะครับ อาผ้ามีอันตรายวิกลจริตอาธิกรรมมิกะไม่ต้องอาบัดเลยะครับทวนนิดนึงคาว่าไม่ไม่จงใจเป็นยังไงครับคือเราไม่ได้จงใจให้มันเลยนะด้วยหลังไม่ได้จงใจให้มันเป็นปิมนทนั้จใจของมันเรียบร้อยหน่อยใช่หมครับแต่มันไปท่าไหนไม่รู้ปาริมนวิ่ว่าปาริมนแข่งมาไเรียบร้อยนะครับก็เล้ยงของมันเอง เราไม่ได้ตั้งใจเป็นอย่างนี้<ฤ>แล้ว<ฤ>แล้วเผยเขเผลสติก็เผยพอดีเลยีบคบคงไปว่าจะคิดถึงไเดี๋ยวจะไปความเทาเงี้ยออจิตใจไม่ได้อยู่กับการผงผาใช่อยู่กั บ, บที่สมนักอย่างเี้ส่งอารมณ์ไปส่งใจไปอไื่นใช่ัหมครับส่งใจเป็นอารมณ์อื่นแล้วเผสติหนย่เียไม่รู้แล้วเขไม่รู้ไม่รู้คือไม่ได้ศึกษาเลยไม่รู้อย่างเี้ยครับไม่รู้่ากก่าให้จาเป็นต้องระิมณทนด้วยอย่างนงี้ คงให้มันติดติดก็พอแล้วไม่ใช่แม่รู้หมายถึงว่าศึกษาแล้วศึกษาแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าผมเป็นปริมธนูเพราะผมเป็นยังไงครับถูกต้องนะถูกต้องทีนี้มันดูคำอธิบายเลยครับหนึ่งการขางนะครับหน้าวุ้งไปดูสองร้อจ็สิบเ็ดนะครับอุ้งไปดูแล้วไม่ยากแล้วนะทางหน้าหน้า มัไปไวแคไหนสีสองถ้ธาอธิบายปริมมาณนาสิกามุมที่สองในสิกามุมที่สองมีอธิบายดังต่อไปนี้การห่มผ้าทําให้มุมทั้งสองเสมอกันนะครับโดยไม่ห่มอย่างครุขะตามที่มื่อานจ้าสองห้ามไว้อย่างนี้ว่าพิสุททั้งหลายบรรพชิตไม่ควรห่มผ้าอย่างครุขะดังนี้นะครับเชื่อว่าการห่มผ้าเรียบร้อย นี้น่การผมผ้าเรียบร้อยท่านจพูดถึงหรือเปล่าต้องผ้าเรียบร้อยในเวลาไหนบ้างนะครับอันนี้ที่เขากำมาดูคําพิบัติถ้ามีในระดับของงเนี่าพูดถึงผมให้เรียบร้อยนะครับในเวลาไหนบ้างน่ะตรงไหนอันต้อง บอกว่าเวลาอะไรนะข้าที่ประชุมสงนะครับเวลาไปอุปถัมภ์พุทธเจ้า น, นะต้องนุงห่มให้เป็นปริมณฑลให้เรียบร้อยนะครับแต่ยางหาไม่เจออยู่ทุกทไ่ <c oughs> อะไรข้าที่ประชุมสงประถามพุทธเจ้า น, นะครับแล้ว <c oughs> ก็อะไรออนะ๋อหาไม่เจอ ครับดียวก่อนหาไม่เจอไม่เป็นไรนะครับเอาว่าเนี่ยสองที่นะเป็นต้องนครับต้องเหนเป็นปริมาณทนที่เรียบร้อยครับแจ้งครับคือก็เหมือนที่ผมดองนะแต่เราผมให้แบบที่เราผูกทังมะแต่ว่าเองแต่ว่าผมดองใส่ปลาชะนาศิ่นี้ได้ไหมถ้าได้ปริมาณทนก็ใช้ได้รใช้ได้ครับแต่ว่าจาเป็นจาเป็น อ๋อครับเขาใช่ก oh, mm ็ใ hmm. ช่นะนี่เวลานั่นไงเวลาไปเข้าเฝ้าพเจ้ายครับนี่นะเจงาหผ้าปิดแขนนั่นนะครับนี่นะครับพออยู่เลาเอามาห่มแหละนะห่มอยู่ในวัดข้าที่ประชุมสองอะไรนี่นะครับคือถ้ามันอย่างงั้นเราก็ไม่ไม่เอาจีวรไปก็ได้ใช่ไหมไปกวาดขยายเนี่ยสส่สาวหรือสมองผ้าธรรมดา ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเวลเขาข้อที่ประชุมสงฆ์ก็ดีุถานพระเจ้ากนนีนี้ไม่ได้ต้องนุ่งห่มอะไรให้ดีนะเอาจีว้อนไปอะไรไปนะครับเรียบร้อยครับกลับมาต่อนะครับถ้านบอกว่าในการห่มทั้ง2ประเภทนั้นการห่มอยา่างใดอย่างหนึ่งที่ห่มแล้วผิดจากลักษณะที่เรียบร้อยเป็นต้องว่าห่มอย่างชีปะผ้าขาวชีประขาวนะ ฉีฝ้าขาวก็คือพวกชีผ้าขามมันจะมีชีเปือยใช่ไหมแล้วก็ฉีฝ้าขาวแต่ชีเปือยมันจะไม่นุ่มอะไรเลยนะแต่นี้ชีฝ้าขามมวเขาจะนุ่มผ้าขาวนะครับอย่าแน่ใจที่บ้านะว่าห่มยังไงห่มผ้าอย่างปริภาชกนะครับห่มอย่างคนที่ใช้ผ้าถึงเดียวห่มอย่างนั่งแรงขี้เล่าอห่มอย่างหญิงชาววังนะครับ ห่มคลุมทั้งตัวเหมือนกับเศษฐีใหญ่นะครับห่มเหมือนชาวนาเข้ากระท่อมเนี่ยนะว่าชาวนาหุ่ยยากในการห่มยังไงไม่รู้นะห่มเหมือนพ้มนะครับห่มเหมือนพิสูุนผู้จัดแถวอันนี้ไม่ยากหรอกการห่มทั้งหมดนั้นชื่อว่าห่มเหมือนคลุ่ยหัดนะครับเพราะฉะนั้นพิสูจนไม่ควรห่มผ้าเหมือนคลุหัดเนี่ยนะไม่ใช่ว่าห่มด้วยหน้าหรือหลังเดียวนะ ผมอย่างขา้ามิันก็ไม่ได้นะครับ อ, อเหมือนอย่างพวกนี้ครอนนะครับผู้ใช้ผ้าขาวผู้ใช้ผ้าขาวผู้รักษาเครื่องกายนะครับห่มโครงกายครึ่งเดียว ค, คือพวกนี้นะัะเขาจะหอมคครงกายเพ่ครึ่งเดียวนะครับท่อนล่างก็จะเปื่อยแปลกทำไมเขาเปือยขนาดยี่ห้มคงเฉพาะข้างบนนะครับนี่นะแปลกเหมือนกันนะคนนี้ เพราผู้ราาักษาแค่ครึ่งกายนะครับคุมการให้ครึ่งดีเพราะข้างบนเนี่ยนะข้างล่างก็ไม่ได้หมไม่ได้นุ่งอะไรนะครับนี่ก็ไม่ได้นะครับเหมือนพวกปริพาโชคบางพวกนะครับเปิด อ, อกพาดผ้าห่มไว้บนบาทนะนี่ทําก็ไม่ได้บอมวี่ห่มอะไรมากนะบอกได้ว่าผู้นี้เขาจะเปิด อ, อกแล้วก็พาดผ้าห่มไว้บนบาทนะครับเป็นยังไงหรือว่าไม่ไม่ได้หม่มละ ผ้าผ้าบนบาเฉยเขาว่าเปิดเปิดกลางอกหน้ากลาหันไทยนะครับเปิดไว้แล้วก็ผ่านผ้าบนบาครับอีไมันได้ห่มใช่ไหมผ้าที่เฉยนะครับบางที่ก็เปิดว่าผ้าผ้าบนบาที่สองนะครับแล้วก็เหมือนคนทั้งหลายที่ใช้ผ้าผืนเดียวเอาชาเอาช้ผ้านุ่งข้างหนึ่งคลุมหลังนะครับผ้ามุม ผ้าทั้งสองไว้บนบ่า ท, ทั้งสองข้างนะครับเนี่ยนึกภาพไหม <c oughs> คนที่ใช้ผ้าผืนเดียว น, นะครับเขาจะเอ า, าผ้าผืนนั้นฮะนุ่งด้วยแล้วก็หงษด้วยไปในตัวครับอย่างนี้นะเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าเอาชายผ้านุ่งข้างหนึ่งคลุมหลังนะครับผ้ามุมผ้าทั้งสองไว้บนบ่า ท, ทั้งสองข้างเอ๊ะนึกภาพไห ม, <c oughs> ไมเป็นพรีเซนเตอร์หรอือเ ผมก็อนผามออกไม่ยไงเขาบอกว่าตอนแรกเขานุ่งก่อนนะเอาผ้านุ่งข้างหนึ่งมาคุมหลังน่หละผ้าผ้านุ่ไม่ใช่้นะชคือเขาทั้งทังแล้วเป็นผืนเดียวกันทั้งนุ่งและผมเป็นผืนเดียวกันนะแต่พอเขานุ่งเสร็จแล้วก็ดึงมาไว้ที่หลังแล้วก็ผ้าไว้ที่บ่าทั้งสองข้างก็ไม่ได้ก็มันก็ไม่แดงนะมครับมับเต็มมันก็จะเป มันก yeah. like ็เปิดท่านล่างไม่ใช่คุมข้างหลังคุมครับไม่ได้เปิดทานล่างไม่ทานล่างีเปิดข้านมีวิธีนะเนี่ยผมก็งงนะอธิบายไม่เยอะน่าน้อยเพื่อนเนพาาหรออ่าใช่เขาใช้ผ้าผืนเดียวจีวรเขาไม่มีสะบองล่ะจีวรผืนเดียวนะทั้งนุ่งแล้วผมไปในตัวทีเดียวเลยผ้าต เี้ยเอาผ้าบันเตยผ้าบันเตยก่ันไม่ใช่าข้างหลัง้าข้างหลังครับที่มันเตใช้รององครับอย่าเอาจีวอนเอาผ้าอย่างลยเอาผ้าใส่บงใชส่บงแทนเอาผ้าอินสีหน้านะครับสั่งเกินผมว่าจะเอาสมองมาไม่เอามาเลยมี ตอนเด็กเคยเล่นมาเออขออนุญรตอันนีรไหมว่าอยู่ในในเล่มใหญ่ครับยู้าละห้าสิบนะครับเนี่ยท่านอธิบายอธิบายเยอะไหมครับ เก้าร้ยสี่สบ้านะครับไม่มีหรือเปล่าไม่มีค่ะนี่นไม่รู้กแมบเรนุกแม่ตรงนี้แล้วไอตรงนี้มันจ ะ, จะามาตรงนี้ไุ๊กแมสองสองด้านจะรัดมาตรงนี้แต่ตยวีวามันใหมันก็จะปิดด้านหน้าด้วยอ๋อคอจะรัดข้างหน้าก่รใช่ไหมครับ <c oughs> และข้างหลังก็ห <c oughs> เหมือนซูเปอร์แมนเราจะไปแบบนี้ตอนนี้นเป็นของเล่นอย่างนี้อ๋อจะเล่นอยู่นะทีนี้นะครับบอกว่าเหมือนผู้ใช้ผ้าผีนเดียวหน้านะต่อไปเหมือนพวกนักแรงเล่านะครับเอาผ้าพันคอห้อยชายข้งสองไว้ที่ท้องตหัดไว้นะครับบนหลังบ้านอันนี้เขาไม่ได้ห่มนะแค่ผ<ม>้ทพาทำมาพันคออะไรไม่ได้ผ่าเฉยนะ แต่มันพันคอนะครับ 1, พันคอนะครั บ, บรว่าอะไรนะพันคอแล้วก็ค่อยลงตรงนี้นะครับหรือว่าตะวัดถ้าค่อยลงข้างหลังบ้านลอาทางทำดิว <c oughs> <c oughs> ้าเพื่อนแกมีเพื่อนแกมีเรื่องเรื่องเรื่องนี้มันเ<ป>ตะ เข้ามาถามผมไงบอกผมผิดไหมผมบอกว่าสสศัพท์มันก็บอกว่าพันไม่ใช่มันจะคล้องคอยเฉยเขามันต้องลักษณะพันไปนะครับครับใช่ใช่เนี่ยพันใช่ใช่พันเข้ามาหรือว่าพันเข้าห้อยเข้าหน้าก็ได้นะครับเข้าเข้าอย่างนี้ก็ได้หรือว่าห้อยเข้างหลังก็ได้ใช่ใชครับลักษณะนี้ <c oughs> <c oughs> นี่ครับไม่ไม่เหมือนห่มเลยนก็คือเขาเขาเรียว่าห่มนะครับ นั่นแหละเขาบอกว่าเหมือนพวกนักเลงเล่าเอาผ้าพันคอก่อนเออพันเลยอันนั้นอันนั้นคล้องพันพันไปอันนอ้อพันพนอ่นั่นแหละนั่นแหละเอาตอนแรกห้อยไว้ข้างหลังก่อนนะห้อยชายทั้งอือก่อนนะห้อยชายทั้งสองไว้ที่ท้องอ่ะอเอามาขนาดอะไเอออะไรห้อยชายทั้งสองไว้ที่ท้องบ้านออ ตะวันไว้บนหลังบ้างวันนี้ก็ตะวันก็ข้างหลังเอออย่างนี่แหละใช่ตะวันเป็นดาวนทิไม่ <c oughs> ไหมายครับเ <c oughs> น, นี่ยลักษณะนี้ครับแล้วก็มีความแบบครับต่อไปนะครั บ, นนรบแล้วก็เหมือนพวกสตรีชาววังครับเป็นต้นหอมคลุมศี ร, รันให้เห็นเฉพาะดวงตาเท่านั้นนะครับ นี่ผูนี้เขามคุมหมดเลยนะหรือแค่เห็นข้างหน้าครับเหนพวกผู้หญิงแข็งหมครับที่การทะเลตายที่เราก็เห็นในทีวีแนะไรนนะเ้าจะคุมตัวหมดเลยใช่ไหมครับเห็นแต่ลูกตาค้าคขานั่นครับนะเมืองไทยก็ไม่เอบใจเมืองไทยก็ไม่เขาปิดหมดเลยนะเห็นแต่ลูกตาผู้อิสระที่นาลามแขกอีกหลังนะครันนั้นเขาแขกใช่ไหมอยู่นารามอ๋อครับ จริงๆครับแถวล่างแห่งสิ่งของอิสลามแถวล่างแห่งคลองแสนแสนนั่นก็มีแต่ก็คือว่านสุลาใช่ปะบ้านสุลาเุลาตามริมคลองเขมีชนาดอัอย่างทียนี่เลยนี่เลยนะ้อับแต่ว่าเรื่อปากเหมือนโจเลยต่อไปนะครับ เหมือนมหาเศรษฐีนุ่งผ้ายาวนะครับคลมุมตัวทั้งหมดด้วยชายข้างหนึ่งนะครับอาไอ้นี่ไงนุ่งผ้ายาวคลุมชายทั้งด้ายข้านี่ไมเอาผ้านุ่มมาคลุมตัวนะตอนแรกเขานุ่มก่อนนะนุ่งผ้ายาวคลุมตัวทั้งหมดด้วยชายข้างหนึ่ง อ <folklore> นแรนุ no ่มก่อนใช่สเดเด็ดนุ่มผ้ายาคุมตัวทั้งหมดด้วยชาขั้งหนึคุมตัวทั้งหมดไม่ได้ไม่ได้เหลืออะไรันึงไม่ไม่เหลือไม่เหลือข้าจะนุ่มผมแอนดีกันด้วยป่ะทีเดียวนี่ป่บ ไอ้ยพงบางพึ่งบางี่ทางโอ้ขายอย่างนี้เลยนะคืนถ้ามันยาวใช่มถ้ามัยามันจะคุมหมดเลยใช่มครับโอ้เนี่ยนะคนสมัยก่อนนะครับจิต้สุายอโอ้ยยยยยยยย ครับ <ś list> นี่ถ้าหายถ้าได้นะนี่ยสุดท้ายีก็เหมือนชาวนาผม ง, งมากเลยนะเหมือนชาวนานครับเมื่อจะเข้าสู่กระท่อมก็ห่มผ้านะครับตวหวันเข้าไปใน่อกลักและแล้วคุมตัวด้วยชายผ้าข้างนะครับเหมือนพวกข้าพิเ็นช้อน สอบผ้าเขา้ามาตั้นรักแร้เลยครับพอเราก็สอบไปต้านรักแร้เท่านั้นแหละไม่เ<ช>สร็จเลยใช่ไหมอหะนทำไมนะชานาอินเดียหรือไงใช่ไม่ใช่ชาลาเมือไทยหรอ <c oughs> ใครเห็นผ้าอันนั้นไหมภาาที่ผู้เฒ่าผูแก่เข้าผ่มผ้าขามาใช่ไหมครับที่เขาไปๆๆวัดไปวานนะ ถ้าก็ผ่านลงไปอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะห้อยมาข้างหน้าข้างหลังนี่นะเคยเห็นไหมมีผ้าไหมครับถ้าแก่ไปวัดที่ใช้ผ้าของม้านะครับเอามาผ่านอืมก็ดีไซน์นะก็จะผัานลายลักไณ์ลายคล้ายๆจีวรแหละแต่ว่าเขาไม่ได้ผมอะไรอยู่เราเลยใช่ไหมครับแต่เขาผ่านใส่ซ้อมไปนี่นะนี่นะนะครับคนอยู่ประมาณเนี้่นะ ครับ อ, อืม<ห>ลองดูลงลอครับสาธา่คครับอาจารย์รามีภาพการสอนดีอครับ มือที่หมูพสงเาอนี่ครับน้อพ่อผมเนี่ยก็คือ่้ยมันมันเียนอแล้ว <c oughs> ให้มันแน่นกันเลยกันใช่ไหมอ๋อคงแบบแบลงบากันอย่างนี้อืมครับต่อไปนะครับเหมือนพวกพามสอดผ้าเข้าไปทางซอกนั่งเละทั้งสองโอ้ <c oughs> นี่สองน <c oughs> ั่งเละทั้งสองเน่ยทําังไเดียนะแล้วตหวัดไว้บนบ่าสองข้างนะครับ <c oughs> <c oughs> ตหวัดขึ้นมางี้ดีกดว่ายิ่งลำบากเลยนะครับสอดไปลั่งเละทั้งสองครับแล้วตะวัดขึ้นมาไว้บนบ่า ต้องปัาแรกกอต้องสองข้างเลยราะนี้ยิ่งลาบากเลยนี่ครับนี่ครับอ๋อนี่ครับมันจะอยู่เท่นอาวโอยสบายไหนเนี่ยสโคไทยลูกัลวกข้กสบายเหงอนกันอ๋อครับที่จะรู้ก็ข้าราชการเขาจะต้องมันข้างหลังบางทีครับ แล้วก็เน่ยกาบสองด้ามสองด้ามไม่ได้หรอเหมือนไอ้พวกไอ้ละครละครมาขว้างเขาังขว้างเขาจังนะแล้วก็เเขาเจอเน็ตดาบสองด้ามไม่ได้หเอกขีดหมาเป็นรัดผมไม่โดนเขาข้าพันธุ์ดิันใครอยากมาอายว่าพันธุ์ดของข้าอข้าสู้ตาต่อไปนะครับ อันสุดท้ายนะและเหมือนที่สุดพูดจับแถวนะครับโชว์แขนข้างซ้ายที่หมอมที่หอมด้วยผ้ามเฉียงบายกคีวอนขึ้นผ้าไม่บนบ่าคบแค่นี้นะยกมาไว้นี่ครับยกมาไว้เนี่ยอาจารย์ใหญ่ไม่ดูเลยยกมาไว้ไหนนี้ครับเนี่ยมันกรฮองธรรมดานะก็แต่ยกม่ขึ้นมาใช่ไหม นั่นแหละครับนั่เลยเราเคยจอใช่ไหมบางทีผ้าแถม้าหนอยนะครับ่ังนั้นเขาไมได้ใส่ใครนะผ้าที่มาไว้เลยไม่ได้กาเนี่แนะเว้นการห่มแม้ทั้งหมดนั้นนะครับไม่ได้นะเป็นอาบัติเลยและโทษแห่งการห่มที่ไม่เรียบร้อยอย่างอื่นแบบนั้นนะครับอื่ืๆนะ คนหอมให้เรียบร้อยไม่มีความผิดแปลกไปเป็นอย่างอื่นนะเมื่อพิสุไม่หอมให้เรียบร้อยอย่างนี้ห่ผมผ้าผิดแปลกไปอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความไม่ใส่ใจนะครับจะในวัดก็ตามจะในบ้านก็ตามถ้าในบ้านก็หอมคุมนั่นคือไปข้ อ, อีกข้อหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องให้เป็นปริมณฑลอนกันทั้งในวัดในบ้านต้องอาบัตทุ ก, กฎนะอาณาบาทเหมือนกับสิขาบุปรอ่อนนั่นแหล และสิขาบทนี้กล่าวว่าอย่างไรนะครับในสิขาบทที่เหลือก็เหมือนกันข้าพเจ้าจะกลา่าวเฉพาะในสิขาบทที่มีความพิเศษแหลยนะครับกิบะ อ, อบาณาบัตหน้าเหมือนกันนะครับเฉพาะข้อที่อาณาบัตพิเศษขึ้นมาเนี่ยท่านก็จะบอกไว้นะครั บ, บ<อ>ว่าพิเศษนะฮไม่จงใจใช่ไหมครับเผลอสติไม่รู้อาภาตมีอันตรายวิกลจริตอาทิกกรมมิกาะเหมือนกันนะครับไม่แกล้ง แรือไม่รู้อาผ่ามีอันตรายมิกลดจริตใช่ไหมอธิกรรมก่เเหมือนกันเลยนี้นะองค์องค์ก็สามเหมือนกันใช่ไหมครับองศาหนึ่งไม่ใส่ใจใช่ไหมครับไม่ใส่ใจที่จะทาอย่างงั้นนะองคศาองค์สามกับไอหน้าสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหนึ่งไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจทีจะห่มอย่างงั้นนะสองไม่มีเหตุการไม่ต้องอาบัตคือมันไม่มีอาาบัตอย่างงั้นอันนี้สาระเหตทุกข้อเลยนะ แล้วก็อันที่สาก็ออกข้อนี้นะคือหงไม่เรียบร้อยมันเป็นปฏิมุริมนทนก็จบนะครับก็จะเปิดให้ดูหน่อยนะที่เขาว่าลาเข้าไปที่ไหนบ้างนะที่เราต้องเอาทีวอไปนะผมให้เรียบร้อยนะครับไ้ดีเลยนี่เหอจบเนะนทะีนมนนะ่มจบนี่ยนี่บอกเลยนะี ไม่มีบอกทอันนี่อธ sí, ิบายไม่ีคร่าเตอนี่บอกแล้วบอกว่าในเวลาอุปถัมพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะครับเท่าี้แค่นี้นะร่น่าไรน้ารัอัน่าหยิบเจนครับคุณยังบอกอ๋อลำพงเป็นต้นก็เอาเวลานะเวลาประชุมสองในอุปัมภ์พระพุทธเจ้าเป็นต้นนะครับหรือเวลาเราไปฉันก็ได้เป็นต้นว่าไงที่สมควร คุยในวินัยครับถ้าวินยอัตกถฐานะไปดูนะครับต่อไปนะครับข้อนีผ่านนะกะห้องเตรงนี้เป็นกิวาจิวาอิวนห้องเกไม่เวลามกันหนาเลยครับหมกันหนาใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้นะสมัยก่อนที่เรียนอาจารย์ถ้าเอาหมดเลยครับหมวกกันหนาก็ไม่ได้ พราะบอกว่าอาการที่หมไม่เป็นบริมนทนน่ะมันเกี่ยวกับว่าถูกความหนาความร้อน ม, มากนะครับเบียดเบีย น, ยนท่านกระไรหงไม่เป็นบริมนทนนะนี่แต่ถ้าเรานอนน่ยแล้วก็มาคุมตัวก็ไม่เปไ็นไรนครับเวาลานอนนะแต่ถ้าจะมาหงไปข้างนอกเอามาอย่างนี้นะครับไม่ได้เฉพาะในวัดนี่เราป้องกันหนาเราไม่ได้ใส่ใจบริบทนี้่แหละไม่ได้ทําบนี่แหละคือริดกายริดกมันอุ่น ไว้ผ้าใส่ผ้าไปผ้ามากันแล้วกันไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้เราะจะมีบอกไว้นะแต่ว่าตอนหลังอาจารย์ก็บอกว่าได้เหมือนกันนะครับในฐานะที่อะไรนะมันไม่ได้คิดจะเข้าไปที่ประชุมสงฆ์ถามพระเจ้าหรือมันได้จะตั้งใจอะ้รให้มันเป็นกิจลักษณะเนี้ยนะท่านก็ว่าได้เหือนกันแต่ดูยังเป็นฐานะที่เบานะ เพราะว่าท่านบอกไว้ในนั้นนครับเพราะว่าที่ผมไม่มีปริมณฑลเพราะอะไรเพราะมันถูกความหนาวความร้อนเบี่ยนเบียนพอาะหนามากใช่ไหมเราก็เลยใหผมอย่างงั้นเราก็มาคุมอะไรให้มันทั่ตัวใช่ไหมครับแสดงว่าไม่ได้ครับอันนนครับก็ไม่ได้ครับก็ถือนหนาวไหมนะเห้ปริมณฑนก็แล้วกันถ้าจะมาคุมก็เอาผ้าอย่างอื่นผ้ า, าอย่างอื่นมาคุมทีได้นนครับ ข้าวข้าวข้าวหน้าคือเราผมแบ่งค่าีบเป้นผลิต้องแล้วจบอปิดแขนปิดขาเนยเอาไอ้ไอ้ข้าวผ้าผมผ้าคลุมอะไรนะก็ได้คนะตัวแป้งนะครับตัวแปไม่ได้อาจารจีบอารบริการชนเหมือนกันครับมันเครับตครับได้นะ กในววิธีนะครับเมื่อวานได้อ่านแค่สองข้อใช่มสองข้อข้อเนาห้าข้อก็ได้อ่ารามาดูหน้าร้อยก้าสินะครับวสวิธีข้อที่สามบันปชิตพึงกระทำความสำนิกว่าเราจะเป็นผู้ปกปิดกายด้วยดีไปในระแวกบ้านอิสุห่มกลับลูกดุมแล้วเอาชาอนุวาทั้งสองปิดคอ จัดมุมทั้งสองแห่งจีวรให้เสมอกันม้วนบิดเข้ามาจนหุ้มข้อมือแล้วจึงเข้าไปในละวัฒบ้านครับอันตระขรานามะคาเมวาโหตุวิหารวาปจิตตวาพุนชิตตวาที่ีนังวัสนัทถานังแปลว่าในหมู่บ้านหรือในวัดก็ตาม <c oughs> าหพักอยู่ผมต้องกินกันชื่อว่าแมงมาาวินิยะวินิัยการเนี่ยน่ะอข้าวไร่นก่อนผมคุมนะครับเอลุปิดอันนี้ออครับนั่นน่ะเ้าก็ไม่ได้บอกลุงดุงคอนีอีก่ะ คือถ้าเราทายเฉยมันปิดคอไม่ได้ใช่ไหมต้องลูกดูมันคุมด้วยใช่ไหมครับมันถึงจะปิดคอได้ไปร่วผมก็ร่วมมันจะบรกาศอย่างนี้นะโอเคอือครับอันนี้อาจจะสั้นไปครับอือครับกะเลยอันนี้ของปริญญาใช่ไหมครับรู้สึกว่าของสายวัดป่าเขาจะชอบทําอย่างนี้นะมันจะมีลูกน้องที่คอทีนะครับมันก็จะได้ลักษณะนี้เลยใช่ไหม ผมกะลุกดุมครับแล้วอาชายนุกวาทั้งสองมาปิดคอใช่ไหมแล้วก็จะคุมเลยแล้วก็จัมีทั้งสองจีวเสมอกันใช่ไครับแล้วยังมาทำม้วนผมทีหลังนะครับจนปิดคอแล้วจึเข้าไปในน้าแต่ลูกมที่คอก็ไม่เป็นไรที่เราไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไถ้ามันมีอาบัตนะแลมันจะดึงแต่งที่คอไม่ได้แต่งที่คอไม่ได้ไง มันก็ดึงไปเดี <t Screw> ๋ยวก็ลินออกกลินหอยอครับอาเสร็จเลยนะมีปัญหามันแตงคอไม่านี่ไมเครับสองีแต่งคอไม่ง่ายเลยนะครับเลยไม่เป็นไรนะครับการที่อสมัยถือว่ากลูกดุมก็นานมข้างล่างกันก่อนแล้วก็ห่มแต่ยังปัญหาลักรมถอนแล้วมันกัดที่หัก็ได้ครับนี่นะ ไม่รวมจะเป็ น, น, นห่วง <สา S 2> ยังไงเป็นการังคมอสาธิตดูเบี้ยค่ผู้เชี่ยวชาญครับทีนี้ถ้าบอกว่าไอ้แกะผมตกปีกายอยู่ดีมันจะหงคมใช่ไหมครับคําว่าเราแวะ บ, บ้านที่นี่นะไม่ใช่เพราะว่าในหมู่บ้านอย่างเดียวนะครับเอาว่าที่ชุมชนนั่นแหละโยงเข้ามาอยู่อาศาัยกันนะครับจะเป็นในหมู่บ้านก็ตามในวัดก็ตามนะที่พวกฤๅษีหันนะครับ เขามาพักอาศัยอยู่กินกันนะ<ช>สถานที่นั้ น, นก็ชื่วเป็นละแวกบ้านนะครับอย่างเช่นในสํานักนะในสํานักเป็นเขต่อวัดใช่ไหม<ช>แต่โยงเข้ามาอยู่หุงต้มกินกันอย่างนั้นนะครับ<ช><ช>ตรง น, นั้นก็ถือว่าการเป็นละแวกบ้านไปด้วยครับ<ช><ช>ละแวก บ, บ้านถึงระหว่างเรือนภาษาบาลีอันตรรักษ์ลัง<ช>มันไม่ได้เป็นเขืนหมู่บ้านไปด้วยนะครับ<ช>พราะท่านไม่ได้บอกว่าเป็นเขืหมู่บ้านใช่ไหมก็ยังพูดว่าในหมู่บ้านหรือในวัดก็ย่างใช่้คำว่าในวัดนะครับ ถ้าคุณทีหมาอยู่กันอย่างนั้นนะมันก็จะจายเป็นละแมกบ้างมือกันเวลาเข้าไปก็ต้องหดคุมนวหาทาเซรกคดคอขนีครับครับนอก็ไม่ค่อยปกคคอนะรืไม่มคปกหลักแน่ขึ้นครับมันดึงมันดึงไม่ได้ดึง้ได้้ได้รับติดแล้วติด แล้วแบบถ้าเกิดมีเหตกเฉินีปดออกไม่ได้เีเขาโย้ำายื่นเขต้องนนรเลยข้า้มไปีล้อไนี่เขาาไม่เป็นไรรีบกลางเลยไปไม่ได้คือมันต้องินะแต่มันปัญหาต้องปิดแค่นี้เรื่องเรื่องแจ้รื่องผม คือกินตัวเี่คือตัวเนี่คืออันนี้ผมได้มาจะเขมอนนะครับครับนี่ัก้คือคืออย่างนี้ครับนะเขาจะเขาจะนี่นี่ก่อนนจะได้ดูวิธีบ้างเขจคอย่างนี้ครครับจะแจ็คีเป็นตัวนั้นะครับแล้วก็วัดที่ตัวแล้วเขาจะทิศเละก็จะพไได้ใมกลับมาิศริวครับ เรากะบาไปก่อนใช่ไหมฮะอ๋อกะก่อนเลยกะกะบ้าก่อนปื้ดแล้วก็จะปิดกระดมนี่ก่อนอืมครับดูทุกนครับดูทุอิสลามาใช้ีร้อกแล้วมเราเนี่ยนี่ยนี่ยเอี่ยยเนเ่ยเนีนี่ย่ยนยน่ยีนนนนเียนเนี่ยเ่น่ย พอได้ท no oh. ี่เสร็จแล้วเราจัขึ้นแล้วมันใช้มันได้แล้วนยได้แล้วนะยแล้วก็ดึงให้มันแน่นเนี่ดึงดึงโอ้แล้วก็ยังอันที่มันเนื้อจีวขาหอเปารับอจวรขาเ็นที่เขาครับอเราให้มันแน่นเลยนะครับครับอ๋อใส่ก็ไปให้แน่นเลยครับแล้วก็จึงมัจับเนี่ยมงครับสี่เส้นเลยไม่ไม่มีถ่ายวดีโอเหรออ๋ว่าใเห็นไป นี่นะไปสาธิตยในงานสัมมนาได้เลยนี่เข้แล้วก็นี่ครับแล้วก็้วมาเลอยเียวน่าเกียดมากมาโม้ที่เราทำใช่ไหมครับผมหมดกำลังใจเนี่ยดูก่อนตอใที่เก้าจานดึงมาแล้ครับดึงให้สุดให้มันตึงแล้วก็มาจับ โอ้แม่ไปที่กายการลังแรนะครับครับแม่แล้วก็มาจัดอย่างนี้อีกครับเด็กขาแขนเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็หมุนครับหมุนอย่างนี้นะพอหมุนได้ทีปุ๊บเราข้วมาเราได้แล้วนะเอามือสอดออกมาครับแต่ผมไม่สะดวกแบบนี้ไงผมก็เริโอ้หมุนแค่นิดเดียวใช้ได้นะครับฮะเนี่ยนะแล้วก็ดึงครับดึงมาจัดจัดขึ้นอ เนี่ยครับดูนะครับท่างือปปลาเนี่ยพับเข่าไปเลยครับเราเราคืวมาเราปวคออะไรนะแล้วก็ดึงดึงตัวนี้มาสอบมาคราวนี้โอ้ยหลายชั้นเลยนี่เแล้วก็อย่างนี้เนี่เอามาเลยเนี่ยครับมันจะอยู่แน่นใช่ไหมครับนี่มันไม่ค่อยตอกเท่าไหร่ เขาดูหลังนั Auf ้นนะัดูข้างหน้าครับดูข้างหน้าเดข้างหนครับครับครพอได้ไหเนี่ยเราเติตรงนี้เราวนี่บาดใช่ครับเกทำไมตรงนี้มันออกมาเยอะจังอนาะเกนี้ออกมาเยอะครับก็ไม่ล้วนน้อยไปคือผมจะเอามือมาสอดถ้าปกติผม เนี่ยผมจะปล่อยถ้าว่าได้ทีแล้วผมก็จะปล่อ ย, อยแล้วก็มจาจัดที่คอเลยแต่เนี่ยจัดไปเป็นเรียบร้อยไงกันเลยหายวุ้ยเอะยัซ้าย่้องขวาไปนะได้อ่าสองข้อคุมควบอะไรนะครับข้อสี่เลยบันประชิดเพิ่งจะทำควาสมสำเนียงว่าเราจะเป็นผู้ปกปิดกายด้วยดี นั่งในระแวงบ้านนะครับตอนนี้นก็เหมือนกันเวลานั่งต้องห่วงคุมให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าสําหรับพี่สุผููเข้าไปพักอยู่ในบ้านเะนี่ยไม่เป็นไรแม้ไม่ได้ห่งคุมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าก็ให้ผมชิมอีกหวานนะผมชิมอีานอาจารย์ขา มาดูต้นบัญญัติในกันในิานา น, นะต้นอย่างก็คล้ายกันนะผมมีเจ็บคอใส่ท่องสียทัวคุณีปัติโมทั้งวันเจ็บคอเจ็บคอแล้วเนี่ยต่อไปถ้าดูห น, น, น้าต้นบัญญัตินะครับมาสทยแปดร้อยแปดสิบสาม็มเด่นสามวิถีทาง โดยสมัยนั้นพระพุทธเจ้ปาประทับอยู่หน้าพระเชษฐาวันอารามของนาถาบิิกาข้าบดีเข็พระนครสาบทีครั้งนั้นพระเจ้าพุทีเดินเปิดการไปในละว่้งบ้านมันในห่มครุเลยนะไปเลยนะครับพระอก็ม่หยสิค้าหมดขึ้นมารู้คำที่บานหนิ่งนะครับพระองต่างว่าอันพิสูจนเพิ่งปิดการดีไปในละวั้บ้างพิสูจน์ได้อาศัยความไม่อึดอึ้งเดินเปิดการปในละวับ้างต้งบัตุ ก, กฎนะครับ อนาบัตก็เหมือนกันนะไม่แกล้งเผลอไม่รู้อาภาอันตราวิกลจริตอธิกรรมิกรรไม่ต้องอาบัตแหล่นะครับข้อที่สก็เหมือนกันนะครับต้นไม้ก็มาจากพระจุบันครีครั้งนั้นปัจจรบันนั่งเปิดการแล้วแว้บ้านผู้ริ่มก็มีศึกษาบทนะครับนี้วก็อธิบายอภิสูตรพึงปิดกายที่ดีนั่งแล้วแว้งบ้านพิสูจนาสายความไม่เอื้อเฟื้อนั่งเปิดการแล้วแว้งบ้างต้อบัตทุกกฎนะครับอนาบัตลุน้พิเศษนึง ไม่แกล้งไม่เผลอไม่รู้อาภาษอยู่ในที่พักนะครับอยู่ในที่พักก็สามารถเปิดการได้นะครับนี่นะมีอันตรายนะครับที่คนจิตอาธิกรรมมีกะไ ม, ม, ม่ต้องอาบัดแรแล้วก็ไปพักบ้านโยมนี่นะไปเข้าคอนหมอเขียวแล้วก็หอมเฉียงบ่าก็ได้ไเป็นไรนะครับนี่ถือว่าอยู่ในที่พักนะนี่นะต่อไปไมาดูความพิบายนะครับ ในทานวินัยผิดดอกคำที่บานอยู่ข้งนะคำที่บานข้างหลั ง, นะ อ, ง, ง, ง, ลงอันนี้ก็ที่บานกันแนละ้นะครับกลางขางเทา่าหน้าเท่าไหร่ย72ขง้อที่3ส่ทนที่บานรวบเดียวลยนะอันนี้ไม่ยากแล้วอธิบานสุปฏิชนะสิกขาบทนะครับในสิกขาบทที่3าม คำว่าปกปิดกายดีคือพิสูจน์พึงหอมผ้ากระลุกดุมแล้วเนี่ยอย่างที่พันเตท้ทำเมื่อกี้ใช่ไหมการลุกดุมก่อนใช่ไหมครับการลุกดุมที <c oughs> <c oughs> ่ขาออจับจัจได้สบายครับ <c oughs> แต่ละกัดทีหลังก็ไม่เป็นไรนะ <c oughs> ขอได้พลุนทนกันแล้วกันครับเอาชายรู้ว่าปิดที่คอนะผ้าปิดที่คอจัดมุงจีวรทั้งสองให้เสมอกันใช่ไหม แล้วม้วนเข้ามาปิดจนถึงข้อมือนะครับแล้วจึงค่อยเข้าไปบ้านพิสูจน์ไม่ห่มอย่างนั้นนะครับโชว์เข่าหัวหรืออกนะครับเข้าไปบ้านต้องอามบัตุกอดเจอพิจารณาเจเจอแถวตลาดคือเข้าหงแบบดูบ้วงแต่หงไม่เป็นไงลุงเปิดอกนะครับเปิดเหมือนย่าตินกทางข้าวเลยเซมมาเข้าแหวกมาเยอะเอเกินะไบ เจอคนโพงมาไปวันวันที่สานาพี่เป็นสามเรสามเที่วัาหญอผมพอผมอย่างนั้นไปแล้วเขาบอกว่าสมัยไทยเผมอย่างนั้ก็เถียงกันที่หาโอในหาใหญ่เผมอย่างนั้นใช่ไหมครับเขาก็เปิดใช่ไหมครับคือสมเที่ มันไม่ใช่ข้าห่มปิดคอมือนที่ปันเตททำให้ดูเมื่อกี้ต้องพันแบบนั้นเลยค่ะคัะค่ะแต่ที่มีผ้าหลายผูเขาจะไปท้วงเลยเขาบอกว่าเดินไปผ้าไทยต้องไปเหมือนเหมือนาพม่าใช่ไหมผ้าพม่ค่นี่เกาพยายามหมเพื่อให้มันปิดนะครับเพราะว่าท่านใช้ปิดหลุคอด้วยนะนะครับ ยัง ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, มีต่อนครับในสิขาบทที่สี่นะพิะสุตชื่อว่าปิดกายด้วยดีนั่งอยู่ในบ้านคือตั้งแต่หลุมคอครับเห็นศีรษะนะปิดมันถึงตั้งแต่หลุมคอเลยนะครับเห็นศีรษะเห็นมือทั้งสองตั้งแต่ข้อมือครับที่โผล่นะตั้งแต่หลุมคอขึ้นไปนะครับโผตั้งแต่ข้อมือขึ้นไปนะครับโนะเห็นเท้าทั้งสองตั้งแต่หน้าแข้ขงขึ้นไป เอาอยาวาที่เหลือปิดหมดนะก็ในสิกขาบทนี้พิสูตผู้เข้าไปเพื่อจะพักไม่ต้องอาบัตนะครับก็สามารถเปิดการส่วนหนึ่งได้หมายถึงว่าการห่มเฉียงบ่านะครับไม่ใด้การเปิดทั้งหมดนะถ้าถ้าตามสัมเลยครับแต่ข้าพเจ้มานการห่มเฉียงบาครอันนั้นก็สองข้อเองนะอยู่ในห้องส่วนตัวนะก็ <c oughs> <c oughs> มาสองข้อเองครับถ้าตามหลักก็ ต่วาเวลานอนเราคงขอิเฉียงบ่ามันสะดวกนะเวลานอนนะครับเวลานอนผมจอดรัาหมดเลยสยุงหายไหมเราเจอแต่ว่าถ้าไม่ใช่เวลานอนปกติเ็ตามนี่ก็เข้าอว่าผมเฉียงบ่าเนะครับอันนี้ดูความสบายในหนอนนะนะครับนี่อันนี้เหมือนกัน ที่สุดผเข้าไปพักและแว้งบ้างนะครับพวกเข้าไปเพื่อพังอยู่นะครับอันนี้บอกใช่ไหมครัหมายถึงว่าพูดเข้าไปเพื่อพังจริงๆนะแต่ถ้าเข้าไปเพื่อแสดงธรรมนะครับหรือเพื่อสู่เพืผลิตอะไรอย่างอื่นเนี่ยนะก็ต้องคงให้เป็นผลิมมวลนเหมือนเดิมครับจะมาเฉื่อยงบาธรรมดานไม่ได้ เนี่ยท่านบอกว่านะครับเว้นความประสงค์ที่จะพังอยู่เสียแล้วแม้พิสุจะนั่งนานเพื่อต้องการจ ะ, สะแสดงธรรมและสุดพักริบเป็นต้นใช่ไหมครับโอ้เข้าไปรอา น, านานเลยนะ mm hmm. ก็สมควรนั่งเป็นวัดในระแวกบ้างให้บริบูรณทีเดียวก็จะไม่ได้อ่านบัดในทีน่นี้นะครับให้พระผู้เข้าอิพักวันนั้นแหละนี่นะก็หมายถึงการผมผ้าเฉียงบ่าเพราะว่านั่งเปิดกายได้นะครับ ท่านอาจารย์กล่าวไม้เอาการห่ษงเฉียงบาเหมือนอยู่ภายในวัดนะครับเข้าไปเพื่อพักอยู่นะครับหมายถึงเข้าไปอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่อยู่ประจำนะครับเป็นซวันหนึ่งสองสามวันอะไรก็แล้วแต่นะครับันนี้ก็เปิดไดน้นะครับพวนี้นะมนะีอะนะอนี่พูดถึงเนี่ยนะพิสูจน์จะไปยังสำนักของพวกพิสูจน์ที่ปักใจอยู่จำ ตั้งสี่หรือห้าวันใช่ไหมท่านจะอยู่เข้าข้อจะห้าวันนี้น <c oughs> และจะไปยังสำนักของพวกพิสุผู้เข้าพังอยู่ก็ควรนะครับอันนี้นะพิสุจะไปแม้สู่ที่บูชาพระพุทธเจ้าตามสู่ก็ควรนี่แค่นี้อั น, นไม่มีอะไร น, นะครับท่านจะพูดถึงว่าพิสุนะที่จะไปหาพิสุที่เข้าไปพังอยู่ในบ้านนะครับ แม้ไม่บอกลาก็าไม่เป็นไรเนี่ยถ้าบอกว่าเพรานะฉะนั้นในเวลาเดินทางไกลพี่สูจน์ใดรูปหนึ่งบรนเทนวันแห่งการบอกลาเข้าบ้านแล้วเข้าไปยังบ้านนะแล้วก็ไปพักนะถึงที่พักแห่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ข้างหน้าเก็บบริขาแล้วหากเธอจะเป็นผู้พักอยู่พิสุรอื่นจะไปยังสำนักของเธอได้ตามสะดวกนะครับคำว่าไปยังสำนักของเธอได้ตามสะดวกนะครับถ้าบอกว่า พี่สุอื่นแม้ประสงค์จะไปเยี่ยมเธอที่เข้าไปอยู่ในบ้านนะจะไม่ฆ่าประคดเอวไมก็ได้พ่อจะไปหาเพื่อนอยู่ที่นั่นไม่ห่วงพลาดสังกะไปก็ได้ไม่บอกลาเข้าบ้านนะครับไปตามชอบฉันก็ควรฉันนั้นนะครับ oh. อันนแคนี้นะครับนี่ตอนนี้ก็จะพูด <c oughs> ถ้าจะพูดไปถึงในสิกขาบทว่ามองชั่วแอบในละแวกบ้านนผู้ภาคไปณึถึงสิขาบทนั้นด้วยว่านะครับ ออไร น, นะในข้อเี่ยงตกระถาว่าพิสุอศาศัยเหตุแลดูที่นั้นไม่เป็นอาบันนะครับในคนนั้นพึงทราบว่าการบูชาด้วยอามิตรนะครับรมองดูชาวบ้านกำลังบูชาอยู่นะเราไม่าดบ้านนะครับเขากำลังบูชาพระเจดีย์ต้นศรีมหาภพเป็นต้นใช่ไหมครับรก็มองดูได้ครับนั่ น, นถึงว่ามันมันจะไม่เกินชัว่วแหนนะครับก็ได้ครับมันเป็นพิเศษขนาดนี้ะครับไอ ไอ้ชั่วชั่วเองนีเรากลาว่าปราณสักสองเมตรทีข้ามาเตสี่สองครับสัองเมตรครับอาจารย์เวลาาถนนกับาถนนรถไฟโอ้มีอันตรายมีอันตราย่นแล้วได้ค้ามมเตมมีอันตรายฉนบอกเีอยู่ในอานามบัตรบนนะครับถ้ปัญหารถไฟใลตัวมาั้าเกดต้องระวังให้ดีนะครับอันนี้จบนะข้อนี้แค่นี้แหละเสียคิดว่านี้ไม่ต้องรออะไรหรอกไปเลย ในสินสติญาติกรณีเนี่ยเขาเล่าถึงข้อมือด้วยเขาห้าหลักฐาเยอะครับเขาข้อมือใช่ไหมครับข้อมือด้วยปิดเวหลก็เปิดนะครับครับปิดหลอปิดข้อมือครับครับเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรเห็นตั้งแต่ข้อมือใช่ไหมครงนี้พูดถึงปิดข้อมือใช่ไหมครับป็นข้อมือปิดหลุมคอนะครับตรงนี้มันมัน มองอาไม่ออกครับทํามนมันก็ปิดนะปิดนะครับข่าวใช่ครับข้การ้วเวาเปิดต้องานะเปิดได้เปิดนออกมาาอ๋อได้แต่เราไม่ได้ออกมากใช่ไครับมันก็จะมีาอกบาออกมาได้ข่าวจะเปิดกว้างไอ้บนออกสะดวกเพื่อท really yeah> like um ี่จะเปิดอานสะดวกเลยอ๋อค่ะเดี๋ยวจะมี ข้อในการเบริกผ่าข้อมันได้ครับอย่างนั้นได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ให้เยอะเกินไปนะนะครับมันจะไม่โดนข้อนี่แต่มันไปโดนข้อวบอิกผ้านะครับถ้าบอกแม้พี่สุผู้เข้าไปในบ้านเนี่ยนะจะเอาทํามากลบดออกนะครับก็ไม่ควรได้เบิกผ้าออกแล้วก็เขาเรียกวแหวก น, นะก็แหวกชาจีวรออกใช่ไหมครับแล้วก็ยื่นบานเป็นรับบานนี้ได้นะครับแค่นี้ได้แต่ไม่ถึงกับเบิกขึ้น ได้ น, นะครับแหวกขึ้นมาได้เราไปนะครับกล <c oughs> ัมาดูหน้าหนบทวิธีเลยอันนี้จบแล้วนะครับแ<อ>ค่นี้แหะาหน้าก้าร้อยน้อยเกสิบเอ็ดนะข้าห้า้าหกบรรพชิตเพึงกระทาความสัน <c oughs> สเดียวว่ารามจอดเป็นผู้สารวมด้วยดีไปในละแวกป้าบรรพชิตเพึกนกระทาความสันเดี๋ยวว่า เราจะเป็นผู้สั่ารด้เราจะเป็นผู้สำรวมด้วยดีนั่งในละแวกบ้านเป็นผู้เรียบร้อยไม่ขนองมือขนองเท้านะครับก็ไม่ขนองมือขนองเท้านะครับก็เดินไปสำรวมนะนะครับไม่ทำอย่างนี้นะครับขนองมือขนองเท้าทำยางไงเดินไปก็เนี่ยทำโยคะเบ็นย่อมไม่ย่อมเนื่อยะ เขาบอกชี ela, ảo, in, no, ้น็อกชี้ไม้านะเตะก้อนหินนะครับมือม้ายังไม่เป็นสุขะนองะครับจุดต่อแต่สี่นิ้นคนหนึ่งกว่างแขนไปด้วยนะเอ้ยอันนั้นจะไปดูอีกข้อนะครับทําโยคะการบริหารไม่ได้นะครับหรือบางคนทั้งทั้งเดินไปนะแล้วก็ทั้งเวลานั่งนะครับเคยมั้งบางคนนั่งสังคานะดิ่งดิ่งอยอาจารย์จะพูดเลยวันนั้นผมไป ที่การอาจารย์สมบูรณ์น่ะที่ตรวจเจริญประชันวันเพอาะเหตุภาครานนาบุญรถถ้าอยขางเนี่ยท่านไข่ยังเลยนะดูในวัหนะมันเรียกอับบายในวัดเป็นไรครับนี่หมียในแรกบ้าครับในในวในบ้านไม่ขัดัครับแต่ถ้าใขรเนี่ย เข้าไปนั่งฟังประชุมธรรมในสำนักนะครับแล้วก็สังนขาดิ่งมืันมันติดมาเนี่ยมันคนเหมือนเป็นคลราวานนะคอยชอบทำอย่างนั้นนะสั่นานะครับออย่างนี้ยนะไอ้นั้นถือว่าเข้าไป็นละแวกบ้านนะคในสำนักเนี่ยทำเนี่ยไม่ได้นะครับเมื่อก่อนมีภาพรูปหนึ่งก็ไปทํำอย่างนั้นยกเขาทักเลยนะถ้ายังไม่รู้ตัวนะครับยกเขาโยก่าเขากำลังประชุมธรรมอยู่นะพูดถึงความสํารวมอนะครับ เข้าทางอะไรก็พูดถึงเลยท่านกำลังทาตรงนี้นะถ้านยังไม่รู้ตัวอีกถ้ากยังทาอย่างนั้นอยู่่อนเเียสั่นขาแค่หนึ่นึงนะครับอาจารย์ก็เลยไปเตือนนะครับเดี๋ยเกินนะอย่างนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นการคนองครับขนอไมากองไม่ได้ต้องสารวจให้ดีนะครับนี้นะใส่ใจนะครับเดี๋ยวาไม่พอใจอย่างนี้ เขาก็อันนั้นไม่ไม่ได้พูดเตือนนะแต่ว่าสกิทสกิทให้รู้ตัวคร<อ>ับแทงแคล้วเกินไปอะไรยังไม่รู้ตัวอขนาดยกทักทักอะไรยังไม่รู้คนาเงขาก็รู้ว่าพูหนึ่งใครก็มีคนเดียวถ้าก็ปนั่งข้างหน้าด้วยเพวกฟังขาเริ่มเยอะนล้อะไรเนี่ยอาจจยังไม่ถึงใกล้ๆนะแต่นั้นนะไม่รู้ว่าถึงยังงแต่ใกล้เต็มที่แลนั่งข้างหน้าแล้วก็ไปสั่นขาเลยนะ แบบทำม่แบบแบนองนีนแล้วไม่มีใครทำด้วยนะ<ช>ท่านรูปเดียวมันก็เลยเป็นจุดเด่ น, นครับจริงๆการเป็นปจุดเด่นไปเลยไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้ทีนี้โอ้จะไปเข้าข้อหมอเคียนี้เสร็จเลยนะเนี่ยเราจะไปโยข้างกายบริหารเข้านันเสร็จเลยนะเนี่ยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ขนมัดขนาหมดเลยใช่ไหมครับอือ ไม่กล้าเลยอืมครับนั่นนะไม่ใช่อตรงที่กดจุดไม่เป็นไรใช่ไหมครับมันไม่เข้แดงนั่นนะแต่มันจะมีโยค่าข้าต่อใช่ไหมครับแต่นั่นครับไปทางชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับแต่น้องไม่เป็นไรถ้าเข้ามาทําในว้านเราก็ได้ไม่เป็นไรครับมันถ้าเข้าไปในบ้านเข้าไปคอรเขานะไอที่ดองตานัเสร็จเลยไหครับไม่ได้ไอรที่ดองตาเับ หม่ว่าอะไรครับก็โยคะเอากท่าทานเต็มที่นะเสร็จเลยครับต่อไปนะครับมาดูคำอธิบายการขาเลยโอ้คำอธิบายนิดเดียวนะตอนนี้นะถือว่าไม่ยากนะก็ห้าก็หกนะครับอธิบายสู่สามวุตตสิกขาหมดนะครับ สิกขาบทที่ห้าคำว่าสำรวมด้วยดีคือไม่ขนองมือหรือขนองเท้าฝึกมาอย่างดีนะครับในสิกขาบทที่หกก็มีในนี้เหมือนกันนะครับครับอันนี้ก็สําหรับพิสูพูนี่ก่อนนะพวกเข้าไปพระในบ้านนะครับเอ๊ก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าไพระในบ้านก็ต้องสำรวมเหมนกันแล้ว <laughs> จะไปทําโยคะในบ้านก็ไม่ได้นะ ไม่มีนาบันนะครับไม่มีนานาบันนะครับอนนี้ไม่มีถ้ามีท่านจะบอกมาเลยนะครับอ๋อตออะไรนี่ครับตอบไปเลยมันได้อ่านต้นบรรยัติเลยใช่มอานเจ็บปวดนะครับปวดเงี้ปวดคออะย่างเครับอ้อมอ่านผ้าได้ตรงนี้อานผ้าเก็นอะไครับแล้วเขาด่าให้อะไรให้ยิ่งถงได้ครับคอได้ไหครับดแจ้ง ทางันหาอย่างนั้นเนหะเขาบทางกันเมื่อไหร่ไปทำเล่นนะพวกเขาเคยเขาารู้ล็อกก่อนนะครับเราไปทาผิดล่องปัญหาอะไรนะตไมได้แล้ก็ได้ก็กระไรไงลุกย่างกับอะไรรุกย่เลยนะได้ใคจะรู้ล็อกเขานี่ย อ น, นอาผ้าพี่ไอตรงนั้นมันจะแก้ได้ไงครับอนี่นะเราปวดไหล่ปวดตรงคอเนี่ยแล้วมันำทำํแล้วแล้วแก้ได้ไอไย่างเงี้ยนะอาผ้าตรงจุด น, นั้นแนหะมไม่ใช่ว่าปวดท้องแล้วก็มา <c oughs> มาดันค อ, อคนละอันกันไม่ใช่นปวดท้องอตรงนั้นแ <c oughs> หละพี่มันจะแก้ได้ตรงนั้นนะครับ <c oughs> มันไม่ได้เป็นอะไรไมากมายิ่งไม่ทนเปอีกหนึ่งมันก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้มันไม่ได้อันตรายมากมายออ ก็าอาภาษได้ถ้าแบนมันปวดมากเนี่ยนะถือว่าไม่มากแต่ว่าบางทีมันตึงนะมั น, มนยันไม่เป็นอะไรหรอกแต่ว่ามันจะตึงมากมไม่เคยเป็นตึงทั้งคอทั้งหลังไหล่ตึงมากเลยนะครับแต่มันก็อันนั้นไม่ได้ทำอะไรนะไม่รู้ไม่รู้รวิธีบริหารนะรไม่ได้ทำอะไรถ้านิดหน่อยคงเอาว่าอาภาษก็แล้วกันนั่นแบบตัวนั่นมันแก้ได้ใช้ได้นะครับ ครับต้นบัรยากาไม่ต้องอ่านต้นบัญญากาศนี่ก็เหมือนกันนิดเสี้ยวนดเสี้ยวนะครับมาจากปาษาเปอรียทั้งสองข้อเลยก็จะอ่านสูตรแม่ฟ้าคณีเลยทั้งสองข้อใช่ไหมครับสามวันทีนิทานเหมือนเดิมอ่าข้อที่ห้าก็คือค้างนั้นภาษาเปอรีเดินขนองมือบ้างขนองเท้าบ้างนะครับข้อท<ค>ี่สองก็ภาษาเปอรียแหละนะครับก็อะไรนะนั่งใช่ไหมขนองมือบ้างขนองเท้าบ้าง น, นั่งในระเบ้าบ้านนะครับ ผู้ลงก้เนี่จะส่งอธิบายว่าอันพิสูุพึงสมมูลด้วยดีไปานในละแว้งบ้างนะครับพิสูจน์จะอาศัยความไม่เอึดเฟื้อขนองมือก็ดีขนองท้าก็ดีไปละแว้งบ้างต้องแบบทุกกฎนะครับคนที่สองก็เหมือนกันนะครับพิสูจน์จะอาศัยความไม่เอึดเฟื้อขนองมือก็ดีขนองเท้าก็ดีนั่งในละแว้งบ้างต้องแบบทุกกฎนะครับอันนี้ไม่มีอะไรไปกันเลย เจ็ดก็แปนะครับแปดนะครับบันประชิดเพิ่งจะทาความสาเนียงว่าเราจะเป็นผู้มีตาทอดลงนั่งในระแวกบ้านบันก้าบันประชิดเพิ่งจะทาความสาเนียงว่าเราจะมันต้องเจ็ดกับแปดใช่ไหมอัานผิดอานผิดทำไมออาเจ็ดนะครับบันประชิดเพิ่ะทำความสาเนียงว่าทอดลงมองชั่วแห่ ระยะประมาณสี่สอบไปในละแวกบ้านครับแปดอนพชิกคุณกระทําความสําเนียว่าเราจะเป็นผู้มีตาทอดลงนั่งในละแวกบ้านนะครับทหนี้มครับสองข้อก่อนนะมีตาทอดลงนะครับหมายเนี่ว่าทอดสายตาลงต่ํานะอาจจะมันจะเป็นต้องก้มอะไรมากก็ได้นะครับแต่แฝงถึงสายตาเป็เกณนะแต่ผมไม่ถือว่าแบบนี้น อย่างนี้มันมองฟ้าแล้วใช่ไหมมาถึงว่าตาท่อลงบาริมก็ต้องก้มนิดๆใช่ไหมมันถึงจะท่อได้ดีนะครับแต่ว่าเอาที่สายตาเป็นเกณฑนะ์นะครับมองดูหน้าชั่วแอนะครับชั่วแอบมึนก็ว่าอะไรเนี่ยมาอาชาในที่เขาฝึกไว้ดีแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมองไปแค่ชั่วแอนะนอยังไระยะประมาณ42ก็ได้แก่2อเมตนะครับแต่เวลามีอันตรายนะมองดูอะไรช้างดุหมาดุสุนัขดุอะไรนี่นะครับ ข้ามถนนนี้ได้นะเวลามีอันตรายนะครับนั่นได้เป็นไร <c oughs> อยู่ในอนาคตนะครับแต่ธรรมดานี่ไม่ได้ต้องหมดเลยนะครับอันนี้อสำรวมยากนะเวลานั่งรถลงเรือก็เหมือนกันนะครับต้องใส่ใจให้ดีนะครับท <c oughs> างต่งางใจอยากจะดูอะไรเนี่ยอยากจะดูถนนหนทางใช่ไหมก็ดูได้แค่นี้นะครับชั่วแอ่นนะก็มองแล้วก็มองแล้วก็ต้องใต้นะครับอย่ามองกว่าเลย แต่ไม่ถึงว่าก้มหน้าก้มตาในรถนะมันมีมือหัวมกันนะครับไม่ถึงขนาดนะครับอนะีรสายตานะครับแบบแบบสตรีชาววันผู้หญิงชาววันก็จะนั่งให้ผู้ชายดูตัวนิ่งนะจะก็ดูปักก็ดูนี่สิงเตอนนี้ยังไม่ได้มานี่ใช่ไหมครับ พวกก่อนโอ้พวกก่อนมันดูตะพื้นตะพืมนุษย์ทำที่บ้านครับทีนี้มนุษย์ต้นมันหยนต้นมันหยันก็เหมือนกันนะสามบทีนิทานครับครั้งนั้นข้าจักรีเดินไปในระแว่างบ้านพรางแลดูในที่นั้นๆนะครับพวกข้ามัญญันศึกษาบทพวกอธิบายว่าอันพิสุขพึงมีในตาทอดลงเดินไปในระแวกบ้านพึงแลดูประมาณชั่วแอกหนึ่ง พิสูจนอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อไปละว่างบ้า น, านทางแลดูในที่นั้นนั้นต้องบัตรทุกกฎนะครับอาณาบัตรก็เหมือนกันนะเผลอถ้าเผล อ, อ, อไม่แกล้งเป็นอะไรนะครับเผลอสติเป็นอะไรไม่รู้อาถ่ามีอนตรายวิกรจริตอาธิกรมมีกะไม่ต้องอาบัดแหลนะครับวุ้ยมันปวดมันก้มากไม่ได้เรอก <c oughs> ถ้าป่วยอย่างนั้นนะครับ อ, อาการนั่งก็เหมือนกันนะนะครับเกียรตจปัชพบขีนะครับ นั่งแล้วบาบ้างทานเมียที่นั้นนั้นครับทางที่บ้านก็เหมือนกันบทาเหมือกัน้าขงนยที่ีอนุญาตืว่ามองดูบูชาเจีได้อ๋อตับโพก็ได้นที่เป็นการบูชาการบูชาคร <kinds S 1> <realize. S 2> ับือก็ด้่ายัเาจว่าไม่อ่านะครับข้าวาไส้ครับพพูดถึงมองดูการบูชา มอเขากำลังบูชากันอยู่นี่นะแล้วก็อกมองดูได้นะครับทีนี้มามาดูข่าวที่ว่าในการขานะครับในการขาจะพูดถึงน้อยจังเดี๋ยวดูดูนในพระวินัยปีดอกหน่อยนะพระวินัยปีดองอย่าพูดถึงนะครับอ๋อนี่ไงบอกว่ า, ามะอาชาในตัวฝึกหัดแล้วอันเขาเทียมไว้ที่แอบนะครับย่อมองดูชั่วแอบ ดูแลดูภาพื้นไปข้างหน้าประมาณสศ่อพ <os> ี cual. ่ส <soft> ู <information> ่แม่น pues ี้ก็เพิ่งเดินแลดูชั่วประมาณเท่านี้นะครับหน้ากาวลห้าสอง้าวหนึ่งสอก้าวห้าสองะไรนะโอธรรมดาสองช่างไม้ธรรมดาครับเมืว่าสองพ่จุคข้อริสบายเลยพอจุคขอรสบายเลยนะครับเห็นไ สอบช่ า, ไางไม้สอบธรรมดาครับนี่นะสีสอ่อได้เท่าไหร่นะครับพ่อสองเมตรสีอ่องอเมตรนะสองเมตรไปสองเมตรท่านเนี่ยมานมันก็เยอะอยู่นะแตไม่เยอะมากมันไม่ใช่คืดหีครับใช่ใช่ ค, ค, ร, ชครับเนี่ยสองเมตรนะเ <c oughs> พราะว่าสองสอบเป็นหนึ่งเมตรใช่ไหมครับท่านบอกว่านะ มีความว่าที่สุดใดเดินแล ด, ดูที่สาผานะครับเดินแล ด, ดูที่สาผานะมองปราสาทครับโอ้โหตึกร้าบ้านช่องนะนะครับสถานที่ต่างๆนะปราสาทเรียนยอคนะครับถนนนั้นๆไปพลาเนี่ยไม่ได้ที่สุดนั้นต้องบัตทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่เขตบ้านไม่เป็นไรนะเวลาเรานั่งรถไปบางช่วงน่ยมันเป็นเขตป่าใช่ไหมมันก็จะไม่ต้องอาบัตร น, นะครับอันนั้นนะที่เขตป่าแต่ว่าเข้าไปในละแวกบ้า น, นไม่ได้ ตัวไหนรอดมนผ่าข้ามาถึงระแวาบ้างต้องสำรวมแล้วคนนั้นทายตายต่ำเลยได้มีปัญหาหรอพ่อไม่ใช่ระแวกบ้านแล้เครื่องบินสูงแล้วใช่ไมอ๋อไม่ได้เอานะทนยไม่ได้เอานะอ๋อไดู้บา่ถ้าเราอยู่ข้างบนว่าอยู่ในะแกบ้านนะท่ะถ้าอยู่ในวิอยู่ขาางราเมไดแล้วะ นั่นยอยู่นะครับถ้าจยยนะ ย, ยังอยู่แหละยังยัง อ, อ๋อถ้าถสูงๆมันมีปัญหาคราับมีปัญหาคร<ะ>ับอครับแล้วมีปัญหาเราช่องสูงไม่ใช่บินเรียบหมู่บ้านต่ำอย่างนี้นะไม่ใช่นะถ้าบินสูงไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่เวลาเขานั่งเครื่องบินไ ป, ไ, ไปอินเดียอย่างนี้ใช่ไหมเ<อ>ขาก็มองข้างล่างแล้วก็บอกว่ามันจะเห็นป่าไม้เห็นอะไรนะครับที่ประเทศพม่าป่าไม้ยังมีบบแบมากกว่าประเทศไทยนะครับ ก็จะมองลงมาเห็นอะไรต่ออะไรนะครับเมื่อก่อนเขายังอนุญาตให้เปิดหน้าต่างได้นะเปิดหน้าต่างพ้โีคนเปิดหน้าต่างแล้วดนดูดเข้าไปครับโดนดูดนะครับไอตัวหมุนตรงหน้าหน้าใบพัดเครื่องยนต์นะครับดนดูดแล้วก็มันจะตักหมดเลยใช่ไหมไอ้นะครับเขาก็เลยไม่ทําหน้าต่างับเครื่องบินแลต่อไปนะครับแต่เพียงจะหยุดอยู่ในที่แห่งหนึ่งตัวดูว่าไม่มีอันตรายจากช้างหรือม้าเป็นต้นควรอยู่ ได้นะเห็นม้านะครับช้างไว้ใจไม่ได้นะตุ้นวิไม่เข้ามาใกล้ด้วยเป่าหรือว่าสุนั่ขดูอันตรายเลยโดนกัดขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องคอยระวงังแล้วแหวกระวังข้าวโลกนี้ก็ข้าวถนะะ น, นนะไม่คอยดูร ด, ดได้เป็นลรนะครับแม้ที่สุดผู้จะนั่งก็ควรนั่งมีจังสุขทอดรวเหมือนกันนะครับดูคำที่อาจารย์ถา ในกลรงคั น, นท่านบอกว่านะครับ <c oughs> อธิบายนะครับโอคิตะจะขู่สิษขาบทศิษนยะ์ขาบทที่7คําคำว่ามีตาทอดลงโอคิตะจะขู่คือเป็นผู้มีจกักษุทอดลงนะครับเบื้องล่างมองภาคพื้นข้างหน้านะครับชั่วแอะหนึ่งประมาณ4 ส, สองก็วิสุอยู่ในที่แห่งหนึ่งเจะตัวดูอันตรายมีช้างเป็นต้นก็คัวนะครับแม้ศิษย์ขาบ ท, ที่8ก็เหมือนกัน ทเหมที่บา่างเยอะแล้วนะอ๋อเนี่ยผมยกมาเนี่ยครับ <c oughs> <c oughs> เนี่ยอุตษาเขียนมาให้เขาบอกว่าอาจารย์ทั้งหลายย่อมกล่าวว่านะครับที่สุใช่ไหมยืนอยู่ในที่แห่งหนึ่งนะครับนะย่อมได้นะครั บ, นะ บ, นะรบเพื่อนแลดูแม้ไปอยู่นะแม้ไปอยู่อย่างนี้นะครับยืนดูแม้ไปอยู่อย่างนี้นะ <c oughs> นอยูในที่แห่งหนึ่งก็ย่อมควรเพื่อนแสดูซึ่งความไม่มีอันตรายใช่ไหมชั้นใดนะนะครับย่อมควรเพื่อนแสดูซึ่งการบูชาในหมู่บ้านนะ่ะด้านันนั้นนะครับ<อ>ด้านั้นกันเนี่ยที่ภาษาบรลที่เขียนให้ในกระางนะครับก็ไม่ต้องดูดนี่นะเหมือนกันจะดูโยมไป่บาตรอย่กบ้านไหนก็จะใส่บาตรเมทัลรัมซาตาม บมันจะมีตรงนั้นหรือว่าได้นะสังเกตนะครับสังเกตอาการว่าเขาจะใส่บานรหรือเปล่าใช่ไหมครับนั่นได้นะครับแต่คมไม่มองไกลมากนะคงพอประมาณนะครับ<ม>แต่มันมีอยู่ในข้อนะั้นที่ไหครับสังเกตว่าเขาจะใส่ข้าใส่กลับอะไรไหมตรงนั้ น, นครับอ๋อถ้าสัางเงกตเขาจะใส่บาหรือเปล่า น, นี่ได้ได้ครับได้ครับสังเกตดีนาะโอ้ไม่เป็นไรครับแต่ต้องไม่ใช่ว่าเดินกว่านะ พอไปถึงหน้าบ้านถึงตรงนั้นน่ะก็มองกว่าทั่วไปเลย <c oughs> มีบ้านหลังไหนจะใส่ผ่านเขาใช่ไหครับมาถึงเราเดินไปใกล้ๆตรงนั้นแล้วนะ <c oughs> ครับเดินใกล้ๆทอะไรใช่ไหมครับมันทีถึงทางที่เขาจะมาใส่ประจํำนั่นนะแล้วก็ดูส่นหนวันนี้เขาจับค่าพีจับอะไ ร, ร, รนี่กว่าเตรีมตัวจะมาใส่นีนะ่กว่า อาจารย์ันไม่บว่าได้ลัานไหว่าท่านเล่าในญาณก็คิดว่าทําใจว่าเล่าในญาณส่มองไม่รู้เอามันจากไหนนะอารย์ครับาารานบกิงในญาณในประมานีใใจไม่พักในญาณเนี่ยอนอ๋อไม่มีอาณาบันครับพิสูจน์ผเข้าไปพังแล้ว่้านบ้างไม่มีอาณาบันะคราอนี้นะผู้เข้าไปพังแล้วานบ้านก็ต้องก็ต้องมองชั่วแง มองๆได้แค่ต่ำๆแแค่ว่าสี่ศอกสองเมตรนะจะมองกว่าไกลๆไม่ได้รดครับต้องมาบอกว่เนี่ยดูขาพ่อไปไหนครับตอ น, น, น ท, ที่ฟังอาจารย์ท่านก็เอาหนักเลนะดูป้านี่ไม่ได้ห <c oughs> ลงนะบา<ล> ง, <ล>งที่มันจนําเป็นเลยครับเราจะส่งข้อมีอันตรายได้อไหมมันจะหลงมันปัญหาครับได้ข้าใชื่อว่าได้ อ่ะพวมไม่หนงไม่ทอเอันตรายนะถ้าเราถึงจิหมายไปทางให้ดีนะครับก็จะไม่ได้นครับเพราะมันงันก็โอ้โหลําบากใช่ไหมครับนอนได้ครับนอนในรถใช่ไหมครับถ้ามีผู้หญิงอยู่นะถ้าเป็นกลางคืนนะครับนอนที่ตกดินแล้วไม่ได้นะครับถ้าเป็นอิรยาบถนอนลาดไปเลยนะไม่ได้ถ้าเรานั่งรถเองธรรมดาได้อยู่นะครับมันจะมีรถบางอย่างนะครับไอ้ที่มันแบบ มันล่างไปเยอะนะครับปรับแบบเกือบจะนอนเลยนะครับผมเคยเจ อ, อที่นึงไปหน้างรถนครใช้แอร์มันบอดสุดท้ายข้างหลังนะครับโอ้มันปรับเหมือนสุดยอดเลย <c oughs> มันจะนอนแล้วครับอันนั้นนะเหนื่อยงั้นไม่ได้นะครับถ้าปรับเองทธรรมดาใช้ได้ น, นะครับก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะต้องอยู่ด้วยนะใช่ไหมครับไยืนะแต่ครับ <c oughs> อ๋อถ้าเป็นกักในบ้านก็มองไป่ได้ผมไม่ได้นถ้าเป็นบ้านนั้น ก็ยาถวายเป็นสำนักสงฆ์ไปเลยครับจะเป็นเร่งลางพอตัวไว้เป็นสำนสงฆ์เ่งานึงไม่ได้ไม่ได้ไ้ครับท่านก็อย่าพูดถึงในนี้ครับเ <c oughs> พราะบอกว่าชื่อว่าการสนามขั้วถั่นะมันต้องมีการสนามแบบพ้นไปเลยนะครับเนีเพาบอกว่าให้แค่วันนี้อย่างงั้นถั่วไม่ได้ครับพูดก็อยู่อาจจะพูดในสิขาบอื่นนะครับเจอนะครัได้ครับเหมือนกันนี่ก็พูดถึงนะ เช่นกันจะแลดูการบูชาในบ้านก็ได้เช่นกันนะครับพูดถึงตรงนี้นะแค่น้นะครับอาณาบัตไม่มีพิสูจน์ว่เข้าไปพักหนือต่อไปนะครับเอาให้จบนี่ก่อนก่อนจะพักครึ่งนะ่นจบตรงนี้เลยครับมาดูนะข้าวก้าวพรษข้าก้าวิษนะครับก้าบันพระชิตคืนกระทําความสำเนียงว่า เราจะไม่เวิร์กผ้าภายในละแวกบ้านสิบวันพระที่คนณจะทำความสียเหวี่ยงว่าเราจะไม่เวิร์กผ้านั่งในละแวกบ้านไม่เอื้อเฟื้อในคำสอนเวิร์กผ้าขึ้นข้างเดียวหนีบสอข้างต้องอานบทต้อกดนะครับอันนี้สําหรับพิสุผู้เข้าไปพักในบ้านได้นะครับไนไรข้อที่เนี่ยนะวงไว้นะครับ จะมีข้อสี่ข้อหนึ่งเนี่ยและข้อสิบนะครับสองข้อนี้พูกพักในบ้านก็ไม่เป็นอะไรข้อสี่ข้อสิบผมจะมองว่าในมุมมองศวิธีนี่นะข้อสิบนี่นะบอกว่าพักในบ้านไม่เป็นไรได้เนี่ยมาดูคําที่มาไอ้เบิผ่านก็รู้ใช่ไหม มันเป็นแฟชั่นไปเลยนะเวลาผมคุมเ <lawsuit. S 1> ข, ข้าไปแล้วแย่ากครับบางที่นะาเขาจะชองว่าคือมาสองข้างเลยนะครับมางทีก <teraz ambling. S 1> ็ข้างเดียวแฟชั่นเท่ไะไรนะท่าเาเท่าเท่าท่เท่าเบบาเทเท่าเท่าเท่าเท่เ่าเท่าเท่าเ่เเ่่าเท่เาเลยาเท่าเท่า่เ่า่าเท่าเเาเาา่าเท่่าเท่าเท่่เา่่ ตอนบัอย่างนี้ก็ามาจากฟาสปาเหมันเดินนะครับ ข, อ κα, ขอ้อกลข้อศใช่ั้ยท่านบอกว่านะครับสาบันถีนิทานสมัยนับฟาสปาคีเดินเวร์ผ้าไปในละแวกบ้านไอ้ข้อแลอนะ้วก็ น, ก น, นะ น, น, กนั่งนะครับเวร์ผ้านั่งในละแวกบ้านทั้งสองข้อเลยนะเหมือนกันรวก็มีสขาบทนะครระองอธิบายว่าอันวิสุไ ม, ม่พึงเดินเวร์ผ้าไปในละแวกบ้าน ที่สูดในอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อเวิร์กผขึ้นข้างเดียกก็ดีทั้งสองข้างก็ดีเดินไปในระแวกบ้านต้องอาบัตทุกกฎนะครับก็เหมือนการ น, นั่งในละแวงบ้านนั้นเวริรก้าขึ้นนะครับก็ต้องอาบัตทุกกฎแต่ว่าในอนาบัตนะครับของการนั่งนี่มันจะมีพิเศษว่าไม่แกล้งเผลอไม่รู้อาผ้าอยู่ในที่พักเราอยู่ในที่พักในแวบ้านได้มีอันตรายวิกลจริตอาทีกรรมิกะไม่ต้องอาบัตอะไร ปริมมานาลาวักสิคราบห่ที่สิบเจ้าวักที่หนึ่งจุดอย่างไรนะไปไยมาดูตอ <c oughs> <c oughs> นเดียวก่อนสิ้นเดือนใช่ไหมต้องวักงานไหมรันมาดูคำที่บายเนี่ยการขาหน้าสองและเสามอันนี้ก็ไม่ยากนะครับอันนี้ก็มีคำที่บายเยอะกว่า เขาเก้าสิทธอธิบายอุกิตะสิกขาหมดในสิกขาบทที่9คําว่าอุกิตะการยะแปลว่าการเวิร์กผ้าขึ้นนะครับคำนั้นเป็นปฏิญาณมีพันลงนิธรรมทูตานลักษณะละักษณะเป็นขึ้นจดจําพิเศษว่าภาพรูปนี้มีลักษณะพิเศษคือมีการเวิร์กผ้าขึ้นนะครับอธิบายว่ามีจีวรเวริรขึ้นข้างงเดียวหรือสองข้าง ตหวันาชายผ้าเนี่ยผ้าไม่บนบ่าพิสูจไม่ควรเดินว่าผ้าตั้งแต่ธรณีประตูเป็นต้องไปไม่ได้นะถ้าธรณีประตูหมู่บ้านไปเนี่ยไม่ได้ไงนะครับต้องเรียกเขาให้นะเว่ากไม่ได้นะครับอันนี้บอกว่าแต่ว่าถ้าหมู่บ้านมันมีรั้วล้อมเนี่ยท่านทธิบายว่านะครับข้อว่าตั้งแต่ภายในธรณีประตูนะพิสูจไม่ควรเดินว่าผ้าไปอย่างนี้ ตั้งแต่ไททอนิประตูของหมู่บ้านที่มีเครื่องล้อนะครับและตั้งแต่เลดู่บากที่สองของหมูบ้านที่ไม่มีล้อล้อประจารของหมูบ้าใช่ไหมไม่มีล้อล้อนะครับเนี่ยต้องเป็นปริมาณทนต้องไม่ว่าตั้งแต่นั้นแ้วนะครับในสิทธาบทที่สิบนะครับเวลาที่พิสูจน์แล้วเมื่อจะนําธรรมกรกออกมาอย่าได้วริรกจีวรขึ้นเลย ท่านเข้าไปไม่ได้เข้าไปพักใช่ไหมอะไรไปสแสดงําไปอะไรกี่ น, นิมนต์นี่นะครับแม้จะนำมามัมกบออกก็อย่าเรียกว่ากี่วันกเลยนะครับพึงนาออกอย่างเดียวพิสู่เข้าไปเพื่อจะพักไม่ต้องอา บ, ององบัยนะครับข้าทมันไปขาเอารํางธรรมกบออกมาแปลว่าธรรมกบทีนี้คึ้นมาถึงว่าเราเก่งวพี่เอลข้ามข้างนจะเก่งวัดข้างใอาจจะอยู่ในยาวก็ได้ข้างบนแต่แต่ว่าอยู่ข้างในคือพึ่งต<อ>ิดตัวตลอด แล้วแต่นะครับถ้าเรามีผ้ากองน้ำแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ไม่มีอาบัตนั่นกองน้ำแต่นี่ผมจะพูดถึงว่างเกี่ยวกับารห่มผ้าห่มบางกรนะครับจริงๆห่มบังกรเนี่ยถ้าเป็นปริมณทลก็ใช้ได้แต่จะมีปัญหาเวลาเอาบาออกนะก็ต้องดึงขึ้นมาข้างล่างเลยชครับต้องเวิร์กขึ้นเลยครับนั่นแหละไม่ได้เนลยชอบเลยเพราะมันสวยครับ แต่มันเสียเวลาตอนเบรรบานนะเว่าขึ้นเลยแล้วอาเน้นเสียเลยใช้ไม่ได้นะครับการที่เราเดินทางไม่ได้เดินไปไกลเดินทางไกลมากเกิแล้วก็ไปเวกตามที่จางๆไม่หคงผ้าเลยเพราะว่ามันขยับผ้าใหม่อะไรใหม่ครรับหือว่าเป็นการเลิกแล้วห่มใหม่อ๋อไม่ว่ากครับไม่ว่าครับครับเรงจัดจีวอนมันไม่เรียบร้อยนี่ เป็นปริมันทนแล้วใช่ไหมครับมันลาาลงไปบ้างคอมันหนุนบ้างอะไรเงี้ยนะแล้วก็เลยมาจักมาทำใหม่ไม่เป็นไรครับใช้ได้นะครับบวเกีว่เป็นประิมทนแล้วตออยู่มสซก็ับมาขบใหม่ได้เครับครับถอนเลยก็ได้่มไ่ะถอนเลยก็ได้หมถอนเลยมนก็ถอนไอ ทารูปวงมา ไ, ได้นะแต่ว่าเราไม่ถึงกับว่าเด็กออกหมดไงยังอยู่ตรงนั้นใช่ไหมถ้าเรามามาม้วนใหม่มาอะไรใหม่ครับผมก็ทํำนะเพราะว่าถ้าไม่ทําใหม่มันก็ไม่ได้เปิดมดเทิร์นเลยครับมันมันก็จะล่างอยู่นั่นแหละนะบางทีมันจะมีลักษณะ น, นี้ว่าถ้ามันเสียหายแค่นี้หน่อยเราจับได้ใช่ไหมแต่ถ้ามันลงเยอะๆแล้วนะพอเรานั่งเราเดินไกลนะครับถ้าไม่เอาออกนี่มันจะจับไม่เข้าหรอกนะ ไม่ลง <ไป S 1> ตัว<ม>เออครับมันนะั่นหมดเลยนะมันก็ต้องจัดนะครับเข้าใจว่าไทหนรตอนนั้นนะครับออกมาข่มมันเพื่อให้เรียบร้อยนะครับอันนี้มีอะไรพิเศษดีกว่านะมีอะไรพิเศษนะไม่มีนะครับก็จบนะไม่มีอะรบ้างบ้านนะครับอันนี้ยังไงทํามากดออกจากถุงบาตรเข้าใส่ไว้ในถุง ในเวลานั่งเมื่อพิสูจนําธรรมกรกตออกจากถุงบาที่คล้องไว้ที่บาเป็นต้น <c oughs> ส่วนบนสเสยก็จะปรากฏออนะคธิบายว่าพิสูจควรนําออกโดยไม่แสดงให้เห็นอย่าง น, นั้นนะครับแม้พิสูจนผู้จะนั่งบนอาสนะก็ควรนั่งโดวยวิร์กจีวรนะครับที่ห่มแล้วออกเพียงนิดหน่อยนะครับนี่น ะ, ะแต่ไม่ควรเวิร์กผ้าสังกติภาคซ้อนที่ห่มไป ด้วยปรีแข้งนะครับพสูจวค่อก็จะพังอยู่ก็ได้ไม่เป็นไร <c oughs> ในสิค้าบท น, นี้นั่นแหละไม่ได้ตัดไว้เปอนอไรเหมือนกันาได้พังครึ่งเหมนะมีมีต ย, ยังคาสาร์ที่สองมาล้วไ ม, ไ, ไม่เป็นมันหนาเคนที่ผมไปหน้าหนาขเข้ามันเปถ้าเปทางเหนืออยู่แถวอีสานเอาน้ําเนี่ยนะ ผมสองผมเคยผม้อนแล้วผมคงไม่ได้เวลาโดกแข่อาจารย์จะโปรแข่งเราันข้าวใ้บ้านแข่งโปรมากถ้าเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ก